พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตะประพระปุพพะสิกขาและปุพพสิกขาวรนน า, นาพระอมราภิรกขิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาโรจนาต่อไปก็จะเป็นการพรรณนาเรื่องของทุตจะยานบัตรอบัตทุตระใจจากพรรณนาในทุตรจยานบัตร ข้อหนึ่งทีกตุยาพึงสละครุพั์ข้อหนึ่งยาพึงแจกครุพั์สละก็ไม่ได้แจกก็ไม่ได้ที่เป็นของสงฆ์ถ้าสละหรือแจกต้องถูนลัดใจด้วยพุทธบัญญัติห้ามไว้ว่าปัญจิมานิพิขเวอวิตตัชานิยานิพอความละเป อเวพังคิยานิณะวิภชิตตบานิสังเคณวาคเนณวาปุขเลณว า, ว, าวิภัตตานิติอวิภัตตานิโหนติโยวิภชยะอาปติทุลจยสะดังนี้ครุภัณน์นั้นมีห้าหมวดดังนี้คืออารามก็คือสวนดอกไม้ผลไม้อย่างหนึง่งอารามวัตถุคือที่ดินพื้นสวน สองอย่างนี้เป็นหมวดแรกนะหมวดที่หนึ่งอารามกับอารามวัตถุวิหารโรกูดีเรือนชั้นเป็นต้นวิหารวัตถุที่ดินพื้นแห่งวิหารสองข้อนี้ก็เป็นหมวดที่สองมีสองอันเหมือนกันมีสองวิหารจับวิหารวัตถุหมวดที่สองหมวดที่สามมันโจก็คือเตียงตีถังก็คือตางผีติก็คือฟูกพิมพโพหันังคือหมอน น่ก็คือเศนาชนะที่เป็นเตียงต่างฟูกหมอนส่อย่างนี้เป็นหมวดที่สามต่อไปหมวดที่สี่ก็คือโลหะกุมพีหม้อทําด้วยโลหะโลหะพานักังขนนทําด้วยโลหะโลหะวารโกกระปุกขวดที่ทาด้วยโลหะโตจุของกว่าห้าขนานมคดขึ้นไป โลหกะกตาหังกระถางกระทะทำด้วยโลหะแม้เล็กจุน้ำซองมือ1นึงโลหะนั้นเป็นชื่อของทองเหลืองทองขาวทองแดงทองสมัมฤทธิ์วาสีก็คือมีดใหญ่ที่ตัดฟันของใหญ่ที่พ้นจากตัดไม้สีฟันและปอกอ้อยขึ้นไปได้พระสุก็คือขวานเครื่องทำไม้กุฏารีกุฏารีก็คือผึ่งเป็นเครื่องทำไม้เหมือนกัน กุฏาโลก็ได้แก่จอบเสียมเครื่องขุดดินนิขาดะนังเหล็กหมาดหรือว่าบิดลาได้แก่พวกใบคล้ายสวา่างเครื่องเจอบไช่เก้าสิ่งนี้ก็คือหม้อทําด้วยโลหะขนนทําด้วยโลหะพวกกระถางกระถางกระทะอันเดียวกันมีดใหญ่แล้วก็ขวานพึงจอบพวกเหล็กหมาดหรือว่าเหล็กเจาะไชยพวกเนี้เก้าสิ่งนี้เป็นหมวดที่สี่ ส่วนหมวดที่ห้าก็คือวัน ล, ลีเด็กแต่ถาวรยาวแต่กึ่งแขนขึ้นไปเวลุเด็กแต่ไม้ไผ่ยาวตั้งแต่แปดนิ้วขึ้นไปมุนชังหญ้ามุงกระต่ายปับบะชังก็หญ้าปล้องตินางก็ได้แต่หญ้าต่างๆที่สําหรับมุงบังได้แต่กำมือหนึ่งขึ้นไปมัตติกาก็ดินปกติและดินสีต่างๆเป็นเครื่องทาทารุพันดังเครื่องใช้ทําด้วยไม้ต่างๆยาวแต่แดนิ้วขึ้นไป มัติกาพันดังเครื่องใช้ทำด้ดินต่างๆเหล่านี้ที่หวงแหนอยู่แต่สิ่งนี้เป็นหมวดที่ห้าก็เลยรวมหมวดที่หนึ่งสองอย่างอารามอารามวัตถุหมวดที่สองก็สองอย่างวิหารวิหารวัตถุหมวดที่สามนี่คือเตียงต่างฟูกหมอนสี่อย่างส่วนหมวดที่สี่หมวดที่สี่นี่ก็พวกถาวนพวกไอ้ไผ่อะไรต่างๆเห่า น, นี้นะเก้าอย่างนะ หมวดที่หนึ่งสองยางหมวดที่สองอย่างหมวดที่สามสี่ยางหมวดที่สี่เก้ายางหมวดที่ 4, ห้าก็แปดยางทั้งหมดรวมยี่สิบห้าสิ่งเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งทายกถวายแต่สงก็ดีเกิดในที่สงก็ดีชื่อว่าเป็นของสงเป็นครุพันเป็นอวิตรชัชนิยะก็คือไม่ควรสละเป็นอเวพังคิยะคือไม่ควรแจกอันสงและคณะและบุคคลจะพึงสละและแจกไม่ได้ถึงสละและแจกไปก็ไม่เป็นอาสละ ไม่เป็นอันแจกคงเป็นของสงอยู่อย่างเดิมก็ไม่เอามาใช้คืนก็มีโทษดีนะเทกุ่ใดสระหรือแจกของเหล่านี้ด้วยถือว่าตัวเป็นใหญ่ต้องทุนละใจแต่ถือว่าตัวเป็นใหญ่เป็นเจ้าอาวาสมีสิทธิอำนาจต้องอบัตรทุนละใจแหละถ้าเสียสระหรือแจกด้วยทายจิตให้วิในทอนพึงปรับอาบัติตามราคาของนั้นครุพันเหล่านี้ถ้ากําหนดเห็นว่าทําอย่างนี้จะเป็นอุปการะแต่สงเอาสิ่งที่เป็นของถาวร แลกเปลี่ยนสิ่งที่เป็นของถาวรด้วยกันกระดีเอาสิ่งนอกนั้นที่เป็น trees, อักบิยะหรือเป็นกัปปิยะแม้มีราคามากแลกเปลี่ยนของนอกนั้นด้วยกันด้วยการแลกเปลี่ยนที่เป็นกัปปิยะก็ดีก็ควรของที่เป็นอักบิยะทั้งหลายนี่ถ้ามีความสามารถให้บุคคลไปแลกเปลี่ยนด้วยกัปปิยะก็ทําให้ถูกต้องนก็ควรหรือจะสละครุ่พันเหล่านั้นที่เป็นของเลวแล้วแลกเปลี่ยนบินทะบาเป็นต้น เอามาบริโภคเพื่อจะรักษาเสนนาคณะเป็นต้นที่เป็นของดีในเวลาข้าวแพงเป็นต้นก็ควรในครุพันเหล่านี้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีไม้ไผ่เป็นต้นเพียงสูจะถือเอาเพื่อประโยชน์ตนเพึ่งทำผาติกรรมการตอบแทนให้เสมอกันหรือว่ายิ่งกว่าจึงถือเอาผาติกรรมก็คือการแลกเปลี่ยนของส่งนี่นะต้องให้เสมอกันหรือว่าให้ยิ่งกว่าหมอ้อบาศ ถาลและกะก็คือพวกถาดอะไรพวกนเนี้ยขันทองห้าวกาหนามที่ไม่จุน้าได้ห้าธนาลน่คดก็ดีไม้ป้ายยาตากล้องยานัดไม้ไข้หูก็คือไม้แ้หูนั่นแหละเข็มเย็บผ้าเข็มเย็บใบไม้มีดทับเล็กเหล็กแหลมเล็กๆกุญแจดานเป็นต้นเครื่องโลหะก็ดีเครื่องไม้ก็ดีที่ทําค้างอยู่เหล่านี้เป็นของแจกได้เท้าวันและไม้ไผ่เป็นต้นเมื่อทาการสงและการเจดีเสร็จแล้ว เหลืออยู่จะน้อมเข้าไปในการบุคคลก็ควรซึ่งว่ามานี้สังเขปถ้าประสงค์จะรู้พิสดารพึงดูในจะตุทะสมันตะตาสาธิการนั้นเถิดนี่ก็เป็นเรื่องของของสงนะซึ่งถ้าไปแจกถ้าไปแบ่งก็ต่อบัดทุละใจถือว่าตัวเป็นใหญ่แล้วก็ไปจัดการแจกให้คนอื่นก็บัดทุละใจเหมือนกันข้อหนึ่งอย่าให้เขาทาศัตรกรรมในที่แคบ ทำศัตรรในที่แคบนี่ก็คือการพาในที่แคบข้อหนึ่งก็คืออย่าให้เขาทําสัตกรรมหรือวัตถิก ร, รมในโอกาสที่เพียงสองนิ้วแต่ที่ใกล้แห่งที่แคบคือทวารหนักถ้าให้เขาทําต้องทุนและใจห้ามผ่าตัดห้ามผูกต่างๆวัติก ร, รมก็คือการผูกด้วยตรงห้ามไว้ว่าณนะพิฆเวสัมบาเทศัตถกรร ม, มังก็คำละเต สัมบาทษา ส, สมันตาดูวังคุเลสัทธกามมังวาวัตถิกา ม, มังวาการาเปตะบังโยการาเปยะอาปฏิทุนละเจยสสะดังนี้ตัดหรือผ่าหรือแทงหรือขีดด้วยสัตราหรือเข็มหรือหนามใช้ขีดจะใช้เจาะ ด, ด้วยสัตราเข็มหรือหนามหรือว่ากระเทาะศิลาศิลามคมคมวกเนี้ยหรือเด็ดพอดีอันใดอันหนึ่งในโอกาสที่กำหนดแล้วนั้นอย่างนี้ชื่อว่า ทำด้วยว่าการทั้งปวงนั้นชื่อว่าสัตถกรรมดังสิ้นสัตรกรรมก็คือผ้านั่นเองแม้บีบหัวใต้ด้วยหนังหรือผ้า อ, อันใดหนึ่งก็อย่าถึงทำด้วยว่าการทั้งปวงนั้นชื่อว่าวัติกรรมวัติกรรมก็คือการผูกด้วยหนังด้วยผ้าก็แลคําว่าในโอกาสที่เพียงสองนิ้วแต่ที่ใกล้แห่งที่แคบนั้นห้ามแต่สัตรกรรมอย่างเดียวไม่ห้ามวัติกรรมในที่ใกล้สองนิ้วแห่งทวันนะ ห้ามผ่าตัดเท่นั้นแต่ว่าจะผูกหัวไส้อยู่ได้เสียดวงทวารอะไรนี้ก็ใช้ผูกได้วัตถกรรมห้ามแต่ในที่แคบอย่างเดียวเอาวัตถกรรมนี้ห้ามในที่แคบเท่านั้นนะในที่บริเวณโอกาสสองนิ้วนี้ทําได้ก็แต่ว่าที่ตุจะหยอดน้ําแสบน้ําด่างในหัวไส้นั้นหรือจะเอาเชือกอันใดอันหนึ่งผูกรัดหัวไส้ก็ควรอยู่ ถ้าหากว่าหัวไส้นั้นขาดออกมาด้วยน้ำแฝ บ, บหรือว่าเชือกชื่อว่าขาดด้วยดีไม่มีโทษจะทำปัตกรรมคือผ่าเจาะในอันทะที่บวมก็คือใข่เนี่ยถ้าไข่มันโตเนี่ยนะเป็นโรคอะไรอย่างไส้เลื่อด น, นะจะผ่าเจาะในอันทะที่บวมดังนั้นไม่ควรเพราะเหตุนั้นจะผ่าอันทะควักเอาพืชออกเสียดยคิดจะทำให้หายโรคเช่นนี้อย่าพึงทำก็แต่จะรม จะย่างโดยเพล่มและทายาเหล่านี้ไม่ห้ามในทวันหนักจะเอากลวยใบไม้เอาเกลียวชุดหรือว่ากระบอกไม้ไผ่ที่ทายาแล้วก็สอดเข้าเอาน้ำด่างแล้วก็น้ำแสบหยอดลงในกลวยหรือเอาน้ำมันสอดในกระบอกไม้ไผ่นั้นให้ไหลเข้าไปในทวนหนักดังนี้ก็ควรอยู่ถุรัจสี4ข้อเนี่ยนะเป็นสจักรถุรัจต์กามาสีข้อนี้ก็คือ แจกแบ่งครุพันของสงเป็นบัตรถุรจัยอย่างหนึ่งแล้วก็แจกของสงได้ถือว่าตัวเป็นใหญ่เป็นบัตรถุรจัยอย่างหนึ่งให้เขาทําสัตจกรรมในที่แคบก็คือผ่าเจาะพวกนี้ยป็นบัตรถุรจัยแล้วก็ให้เขาทําสัตตกรรมหรือว่าวัตติกรรมในโอกาสที่เพียงสองนิ้วในที่แคบก็คือในถวนหนักก็ต้อบัตรถุนใจสี่ข้อนี้เป็นสัจจิกะต่อไปก็คงจะเป็นอจิตกข์ข้อหนึ่งที่ตุยาพึงฉันเนื้อมนุษย์ ถ้าฉันเนื้อมนุษย์นี่เป็นอบัตถุลัจใจด้วยตรงห้าไว่ว่าณพิคนะเวมนุษะมังสังปริคุณชีตับังดังนี้ใช่แต่เนื้ออย่างเดียวแม้กระดูกเลือดหนังและขนก็ไม่ควรขนก็ฉันไม่ได้นะผมเผมอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ในนั้นเลนะสิกขาบทนี้เป็นอาะิตกะอันหนึ่งถุลัจยาบัตมีมากไม่ได้ขึ้นปาติโมกุเทศว่าโดยอาคตถานะ ที่มามีสาระฐานคือมาในขันธกะแห่งหนึ่งเรียกชื่อว่าขันธกะทุนละใจมาในวินีตวัาาตถุแห่งปาราชิกและสังขาิเตหแห่งหนึ่งเรียกว่าวินีตวัตถุทุนละใจมาในวิพังแห่งปาราชิกและสังขารทิเตหแห่งหนึ่งเรียกชื่อว่าวิพังคะทุนละใจเพราะเหตุนั้นบัญญัติแห่งทุรัจญยาบัตจึงไม่มีกําหนดคำว่าทุจนจะใจนั้นก็มา สามที่นะก็คือขันตกาถุรัจัยแล้วก็วินีตะวัตถุถุรัจัยแล้วก็วิพังคะถุรัจัยขันติกาถุรัจัยนั้นดังนี้ทิสตุยาพึงถือนักทยะสติดทิยะสมาทานคือข้อปฏิบัติแห่งเดียรถีอย่างหนึ่งเลยกายไม่หนุนหฮมถ้าทิสตุใดปฏิบัติดังนี้ต้องถุรัจัย ทิตุอย่าตรงไว้คือว่านุ่งห่มผ้าคากรองอย่าตรงผ้าที่เขากลองถักด้วยเปลือกไม้ย่าตรงผ้าที่เขาทําด้วยผลไม้กรองอย่าตรงผ้ากํำพลทําด้วยผมคนอย่าตรงผ้ากํำพลทําด้วยขนหางสัตว์อย่าตรงผ้าทําด้วยปีกนกเขาอย่าตรงหนังเสืออย่าตรงผ้าทําด้วยตอผ้าเหล่านี้เป็นธงแห่งเดียร์ถีทิกตุใดตรงผ้าเหล่านี้ต้องทุลัดใจ ข้อหนึ่งภิกษุยาพึงถูกต้ององคาชาตินิมิตแห่งเดรัฉานตูเมียด้วยจิตกำหนัดถ้าถูกต้องเป็นทุนลัดใจข้อหนึ่งวันอุโบสถหรือวันปวารณาภิกษุเจ้าอาวาสตั้งแต่สี่หรือห้าขึ้นไปรู้อยู่ว่าภิกษุเจ้าอาวาสใยการหรือภิกษุเป็นอาันรุกระอื่นอยู่ในถีมาอันเดียวกันมีอยู่แต่ยังไม่มาถู่โรงอุโบสถโรงปรวารณาเข้าหัตถบาท แกล้งจะให้เธอเหล่านั้นชิบหายจากอุโบสถจากปรวรณาและด่วนทำอุโบสถหรือปรวรณาเสียก่อนต้องทุนละใจมุ่มงความแตกร่าวนะจะให้ชิบหายเธียก็ต้องบัตทุนละใจทุนละใจเหล่านี้ก็ดีทุนละใจห้าข้อก่อนก็ดีเป็นขันธกะทุนละใจเป็นขันธกะทุนละใจที่กล่าวมาแล้วห้าข้อแรกต่อไปเป็นวินีตะวัตถุทุนละใจ วิニーแต่วัตถุถุรจัยทิฏฐิองค์หนึ่งปรารถนาจะให้อตุจิเคลื่อนเดินทางไปอตุจิไม่เคลื่อนแล้วเกิดความสงสัยกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจา้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดสินว่าต้องถุนลใจปรารถนาจะให้อตุจิเคลื่อนเมื่อมีความพยายามแล้วก็ไม่เคลื่อนก็ต้องถุนลใจถ้าเคลื่อนต้องบังสมคติเศษ อีกเรื่องหนึ่งพิฆตุเขาคืงกายหญิงที่ตายแล้วก็เกิดความสงสัยจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระเจ้าก็ตรัสขินว่าต้องถุลใจถุลใจยอย่างนี้ชื่อว่าวิณีตะวัตถุถุรใจก็มีอีกมากนะมีกระเรื้องแหละอย่างนี้ก็วินีตะวัตถุถุรลใจก็แลวิพังฆาตถุรใจนั้นมีหลายอย่างคือเป็นอนุสาวรนะถุลใยก็มีนะแล้วก็ วิมติถุรจัยวิมติถุรจัยก็ถุรลใจเพราะว่าสงสัยยะถาสัญญาถุรละใจบ้างยะถาเขตตะถุรจัยบ้างยะถาวัตถุถุรจัยบ้างยะถาประโยคะถูดละใจบ้างยะถาวัชระถุรจัยบ้างก็มีถุรจะใจหลายอย่างเลยมีทั้งหมดเจ็ดชื่อในวิพังคะถูดละใจนี้เจ็ดชื่อมาด่วนแรกอนุสาวรนถูดละใจนั้น ดังอาบัติธุระใจเพราะสงฆ์ธรรมสมนุภาพสน ก, กรรมก็คือสวดประกาศห้ามนั่นแหละสามครั้งรวมทั้งยติด้วยก็เป็นสี่สิบเอ็ดอย่างสงฆ์ธรรมสมนุภาพสน ก, กรรมสิบเอ็ดอย่างก็ได้แก่สังขาริเศ ษ, ษแล้วก็ประราชิกของพิจุนีพิจุณีนี้จะมีประราชิกด้วยนะสังขาริเศษ น, นี่มีทั้งของพิษุภิจุณีแล้วก็ปาจิตติของพิกจุก็มีของพิจุณีก็มีที่ต้องสวดสมนุภาพสิบเอ็ดอย่างด้วยกัน อันใดอันหนึ่งแก่ทิฏฐุและทิฏุณีเพื่อจะให้มละกรรมนั้นนั้เสียและเธอไม่มาละเสียจบอนุสาวนาที่หนึ่งที่สองลงต้องถุลใ จ, จถุลใ จ, จยอย่างนี้ชื่อว่าอนุสาวนาถุลใ จ, จถุลใ จ, จนี้เมื่อจบอนุสาวนะที่สามต้องครุกาบัตคือสังคสเซนหรือว่าปรารชิกแล้วถุลใ จ, จนั้นก็อารำงับไปเองไม่ต้องแสดงอันนี้เรียกว่าอนุสาวนาถุลใ จ, จต่อไป หญิงที่ตุสงสัยอยู่ว่าหญิงหรือไม่ใช่และกำนัดยินดีถูกต้องตายหญิงนั้นโดยกายตนต้องผุลักใจนี่ก็เป็นสงสัยในผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่ว่าสงสัยว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่ากำนัดยินดีแล้วก็ไปถูกต้องนี่ต้องบัตรถุลัใจถุจักใจนี้ก็เรียกว่าวิมติถุลัใจก็คือมีความสงสัยจะต้องตายหญิงกายยักษ์สังคะที่ขาบทสงางการพิเศษข้ที่สอง ต้องด้วยความสงสัยต่อไปหญิงพียกจู์สำคัญว่าเป็นบรรดากาหนัดยินดีถูกต้องกายหญิงนั้นด้วยกายตนต้องถุนละใจถุละใจนี้ชื่อว่ายะถาสัญญาทุรละใจก็คือเพราะเป็นอาบัตตามสัญญาความสำคัญเป็นผู้หญิงแต่ว่าสาคัญว่าเป็นบรรดาแล้วก็ไปจับต้องก็ต้องอาบัตถุนละใจเป็นยะถาสัญญาถุละใจก็ในกายสสััทบนนั่นเอง ทิศตุมีความกำหนัดสันรรเสริญหรือติเตียนอวัยวะหญิงเบื้องบนแต่รากขวัญลงไปเบื้องตามแต่เขาขึ้นมายกเว้นทวันหนักทาวานเบาเสียต้องถุนละใจตัวละใจดังนี้ชื่อว่ายาถาเขตตะถุนลจใจเพราะเป็นอบัตตามเขตก็คือตั้งแต่รากขวัญไหกระดนาลงไปตั้งเข่าขึ้นมายกเว้นอวัยวะเพศทวันหนักทวน า, ทว น, เาทวนเบานี้นี่นตาไปพูดภาพทิงติเตียนมีความกำหนัด ก, ก็ ต้องอบัตในสิทธาบทตุถุนและวาจาริทธาบทสังฆทิศเศสข้อที่สามภิกตุจะต้องกายบรรดาะด้วยกายของตนด้วยความกําหนัดต้องถูดจัยถูดจัยดังนี้เรียกว่ายถาวัตถุถูรจัยเพราะเป็นอบัตตามวัตถุจับต้องกายหญิงด้วยความกำหนัดก็บัตสณฑัยเศสจะต้องบรรดาด้วยความกําหนัดก็ต้องอบัตถูดจัยนะอันนี้ก็อยู่ในกายัสาสุขานิสิทธาบทสังฆทิศเศสข้อที่สองนั่นเองภิกตุมีเถยจิต จะพาธาตุเขาหนีชวนกว็ดีไร่กว่าดีให้ธาตุนั้นยกเท้าทีแรกก้าวไปก็ต้องอบัตลทุนละใจถ้าเท้าที่สองก้างไปกับปาราชิกเลยนะอันทุนละใจดังนี้ชื่อว่ายะถาประโยคนทุนละใจเพราะเป็นอบัตตามประโยคอันนี้ก็ในอธินนาทานติขาบทปาราชิกข้อที่สองลักพาธาตุหรือว่าทั้งวัตถุไปด้วย ต่อไปพิกษุเจาะจงตนเองและอ้างเอาผู้อื่นเป็นปริยายอวดอุตริมนุสธรรมว่าผู้ใดอยู่ในวิหารของท่านผู้นั้นเป็นพระอรหันต์ดังนี้เป็นต้นผู้ฟังรู้ความในขณะนั้นเธอก็ต้องอบัติทุนละใจเหมือนกันถุรจะใจดังนี้ก็เรียกว่ายะถาวัชชะถุรจะใจเพราะเป็นอบัติตามโทษเพราะอาบัติถุรละใจต่างๆอย่างนี้จึงไม่มีกําหนด ไม่เหมือนกับปา ร, ราชิกกับสำคัญเสดัะครับเสดก็สิบสามข้อของมิจุพิษณีสิบเจ็ดข้อปา ร, ราชิกของพิจุสี่ข้อของพิษณีก็แปดข้อแต่ว่าตัวละใจนี้ไม่มีกำลังเพราะมีที่มาหลายที่สําหรับตัวละใจที่ปวดอ้างอุตริมนุษยธรรมเนี่ยนะก็พูดโดยปริยายโดยอ้อมอวดอ้างแต่ว่าพูดโดยอ้อมอ้างตนเองว่าใคอยู่ในหันของท่านคุณ น, นัทเสถิรทหารเนี่ยนะ ผู้ ด, ดำอ้อมในอุตริมนุษธรรมติขาบทในจะตุถะประชิกเพราะฉะนั้นสําหรับสุนใจโดยที่มานะั้นมีสามคือขันธะตะถุนใจถรจใจที่มาในขันธกะแล้วก็วินีตตวัตถุถุรจใจถุรจใจที่มาจากวินีตะะาานตะวัตถุเป็นตัวอย่างในพวกประชิกสัจคดิเศษตัวอย่างอุทานหอนนั่นเองแล้วก็วิพังฆะถุนใจก็หมายถึงการจําแนกบทในสิขาบททั้งหลายวิพังคะถุจใจเนี่ยนะ ซึ่งวิพังคาตถุรจัยนี้ก็ยังจาแนกออกไปเป็นเจดอย่างก็คืออนุสาวนาถุรจัยฆาตกระธุรจัยที่เกิดจากการสวดสนุภาพกรรมสิเอ็ดอย่างนั่นแหละอันที่สองวิมติถุรจัยก็ถุรจัยที่เกิดจากความสงสัยเป็นผู้หญิงสงสยัยว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายแต่ว่าถูกต้อนรับคำกันหนักก็ต้องบัตรถุรจัยอันที่สามยถาสัญญาธุรจัยก็เป็นผู้หญิงแต่สําคัญว่าเป็นบรัน덧เพราะฉะ น, นั้นไปจับต้องเริ่มคัญว่าเป็นบัน덧ก็ต้องบัตรถุรจัยเหมือนกัน อันนี้สี่ยถาเขตตุระใจก็พูดเคาะอวัยุวะเพศหญิงตั้งแต่ตาขวัญลงมาจะตั้งเข่าขึ้นไปเว้นทวนหนักทวนเบาวันนี้ก็เรียกว่าเป็นยถาเขตตุระใจตั้งบัตตุระใจตามเขตอันดีห้ายถาวัตถุตุระใจว่าพวกจับต้องบรนดอกด้วยความกำหนักบันดออนี้เป็นวัตถุของตุระใจแล้วก็ข้อที่หกยถาประโยคนะตุระใจก็พ า, าธาตุหรือว่าไล่ให้ธาตุหนียกเท้าก้าวแรกด้วยไธยจิตนะตั้งบัตตุระใจ อันสุดท้ายข้อทเจ็ก็คือยะถาวัชทะทุลใจโอดอุตริมุสธรรมโดยอ้อมว่าผู้ใดยอยู่ในวิหารของท่านผู้นั้นก็เป็นประทันแต่ว่าความจริงแล้วก็หมายถึงตัวเองนี่ก็ต้องอบัตทุลใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุลใจก็มีหลายชื่อจากที่มาแล้วก็โดยประเภทแต่โดยกําหนดก็มีมากมายกันก็ไม่ได้กําหนดว่ากี่ข้ออันนี้ก็เป็นเรื่องของทุลยัจยะวันนา น, านิติตาจบทุลจัย เรื่องนิสสัญญาปัญิตีค่อยต่อวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ก็ข อ, อมูรนณาสาธุการไว้ท่านทั้งหลายได้ศรัท ธ, ธาในไตรสิกขาในพระตัตนะตรยัยแล้วก็อบรมสนธรรมทิปัญญาเพื่อบรรลุอริยสัจ ธ, ธรรมเพื่อกระทําที่สุดทางวัฏทุกเพื่ อ, อยังพาสนาให้เจริญ ง, งอกงามรุ่งเรืองแล้วก็ทําให้ศาสนาในตนเองเจริญรุ่งเรืองก่อนแล้วก็ศาสนาภายนอกก็จะได้รุ่งเรืองตามข อ, อนมูร น, นาสาธุการแด่ทุกท่านสาธุสาธุสาธุ